วาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่สหรครตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรครตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรครตด้วยปีติเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. ในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยปิติเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุอ Dragon. ขอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคดดต 3, ค ด, ด, ค ด, ด้วยปิติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปิติเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามที่สหรคตด้วยสุข อาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันสามที่สหรคต ด, ด้วยปีติและที่สหรคต ด, ด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคต ด, ด้วยปีติเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้น2 <S último> สภาะวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรคต ด, ด, ด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันสอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยสุเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามที่สหรคตด้วยปีติอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามที่สหรคตด้วยปีติ อาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่ขันสองที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันสองที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้ว ย, ส, วย ส, สุขเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ขั น, 2, านสามที่สหรคตด้วยปีติอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามที่สหรคตด้วยปีติ อาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสองที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น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 อาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นอารามณะปัจจัยเป็นต้นสสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยในปฏิสนธิขณะไม่มีเพราะอนันตระปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปาณิสยปัจจัยเพราะบุเรชาตปัจจัยบุเรชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะไม่มี เพราะอาเสวณัปจัยในอาเสวณัปจัยวิบากไม่มีเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิบากปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยะปัจจัยเพราะชาณะปัจจัยเพราะมัฆคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตะปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอธิปัจจัยเพราะนาติปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอวิคตะปัจจัย เชยานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนัย 5. เฮตุปัจจัยมีสิบวาระอารมณะปัจจัยมีสิบวาระมาทิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีสิบวาระสมณันตระปัจจัยมีสิวาระสหชาตะปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนิสยปัจจัยมีสิบวาระ ปูปาิสยปัจจัยมีสิบวาระปุเรชาตปัจจัยมีสิบวาระหาเสวนปัจจัยมีสิบวาระกรรมะปัจจัยมีสิบวาระวิปากะปัจจัยมีสิบวาระอาหาราปัจจัยมีสิบวาระอินทรียปัจจัยมีสิบวาระชานะปัจจัยมีสิบวาระมัคคปัจจัยมีสิบวาระสำปยุตตปัจจัยมีสิบวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสิบวาระ อธิปัจจัยมีสิบวาระนัธิปัจจัยมีสิบวาระวิคตาปัจจัยมีสิบวาระอวิคตาปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระการนับอนุโลมพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจยะปัจจนยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจหก สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สาอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามที่สหรคตด้วยสุข อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ e สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสหรคตด้วยปีติเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นเจ็สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุกะซึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามที่สหรคตด้วยปีติอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสหรคตด้วยสุเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจได้แก่ขันสองที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตตุกะ ซ <departed. |mt|>. ึ่งสหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้น 8. สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตตุกะ ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เสหรักโทษด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นโมหะที่สหรักโทษด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นเกสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามที่สหรคตด้วยปีติอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุตุกะซึ่งสหรคตด้วยปีติและที่ <dém> <|hi|> สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่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 อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งสหรครตด้วยปีติและที่สหรครตด้วยสุขเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นนณอธิปติปัจจัยและณอาศัยน 2, นนนาาวนปัจจัยสิสภาวธรรมที่สหรครตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สะ h o r ด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะณอาธิปติปัจจัยณอาธิปติปัจจัยบริบูรณ์แล้วในปฏิสนธิขณะ เพราะนาบุเรชาตปัจจัยพึงกำหนดคำว่าในอรูปและคำว่าในปฏิสนธิขณะไว้ด้วยเพราะนปัจชาชาตปัจจัยเพราะนาอาศัยวนปัจจัยณกรรมะปัจจัยบเอสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนกกรรมะปัจัยได้แก่เจตนาที่สหรคด้วยปีติ อาศัยขันที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สหรคตด้วยสุขอาศัยขันที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พึงขยายวาระทั้งสิบให้พิดารนวิปากปัจจัยบสองสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะนะวิปากปัจจัยบริบูรณ์แล้วไม่มีปฏิสนธินัชานะปัจจัยเป็นต้นสิบสามสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะนัชานะปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยสุขและที่สหรคตด้วยกายะวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้น ขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นเพราะนาชานปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณ 1, าเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสองเกิดขึ้นเพราะนมะฆาปัจจัยเหมือนกับนเหตุุปัจจัยโมหะจึงไม่มีเพราะนวิปยุตตปัจจัยบริบูรณ์แล้ว ึมีแต่อร player, ูปปัญหาเท่านั้น 2. ปัจยปัจจนยะสสังขยาวาระสุทไนยสิบสเหตุปัจจัยมีสิบวาระณอธิปติปัจจัยมีสิบวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสิบวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบวาระณอเสวนปัจจัยมีสิบวาระนกรรมปัจจัยมีสิบวาระ นวิปากับปัจจัยมีสิบวาระนัชานะปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจใจมีสิบวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสิบวาระพึงทำปัจญยะให้บริบูรณ์ปัจจนาจบสปัจจญานุโลมปัจจญยะทุกขในสิบห้าแอธิปฏิปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสิบวาระ นาบุเรชาตปัจจใจละถึงมีสิบวาระนะปัชชาชาตาปัจจัยมีสิบวาระณอเสวณปัจจัยมีสิบวาระนกรรมปัจจัยมีสิบวาระณวิปากปัจจัยม <พ ương S 2> ีสิบวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสิบวาระพึงนับอนุโลมปัจญิยะโดยพิสดารอนุโลมปัจญิยะจบ 4. ปัจญยะปัจญิยานุโลม ทุกขนัย16กอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสิบวาระสมณันตระปัจจัยมีสิบวาระสหชาตปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนิสยปัจจัยมีสิบวาระอุปนิสยปัจจัยมีสิบวาระปุเรชาตปัจจัยมีสิบวาระอาเซวณปัจจัยมีสิบวาระ กรมปัจจัยมีสิบวาระวิปากปัจจัยมีสิบวาระมหาระปัจจัยมีสิบวาระอินทรียปัจจัยมีสิบวาระชานะปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระเมฆะปัจจัยจขำนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจใจละถึงมีสิบวาระวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจจัยมีสิบวาระ นาถิปัจจัยมีสิบวาระวิคตะปัจจัยมีสิบวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระปัจจินยานุโลมจบปฏิจัวาระจบสหชาตวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสถวาระและสัมบยุตตวาระเหมือนกับปฏิจัวาระ สิคะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังฆวาระเหตุปจัจจัยบเจสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่โสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุทีท่โสหรคตด้วยปีติ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันซึ่งสหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตดด้วยปีติ และที morning, ่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสิบแปดสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรูปด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่มีสุขเป็นมูลมีสามวาระสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุข เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะ อารมณปัจใจสิบเกสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติออกจากฌานที่สหรตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผล แล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติพระอริยะมีจิตสหรคตด้วยปีติพิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสะหรคตด้วยปีติเห็นแจ้งขันที่สหรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารบความยินดีเพลเพลินขันนั้นราคะที่สหรคตด้วยปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่สหรคตด้วยปีติขันที่สหรคตด้วยปีติจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอารามณะปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ แล้วพิจารณ า, ากุศลนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขออกจากฌานที่สหรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยสุขพระอริยะมีจิตสหรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสหรคตด้วยสุข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 โดยอารมณะปัจัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศล น, นั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาออกจากฌานที่สหรคตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรตด้วยอุเบกขาพระอริยะมีจิตสหรตด้วยอุเบกขา พิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยปีติซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาเห็นแจ้งขันที่สหรคตด้วยปีติโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่สหรคตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรตด้วยปีติด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สหรตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปัคขญาณอนาคตังสญาณและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารุขันธ์ที่สหรตด้วยปีติ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 ออกจากมาักออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรอคตด้วยปีติและที่สหรอคตด้วยสุขพระอริยะ。มีจิตสหรอคตด้วยปีติและที่สหรอคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สหรอคตด้วยปีติซึ่งละได้แลว้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่สหรอคตด้วยสุ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 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอารมณะปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขโดยอารมณะปัจจัยเพราะปรารคขันที่สหรตด้วยสุขขันที่สหรตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรฆด้วยอุเบกขาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรฆด้วยอุเบกขาให้ท า, า, านสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นด้วยจิตที่สหรฆด้วยอุเบกขาออกจากฌานที่สหรฆด้วยอุเบกขาออกจากมรรคออกจากผลแล้ว <necessary. S 2> พิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่โสระคดูเบิขาพระอริยะมีจิตโสระคดูเบิขาพิจารณากิเลสที่โสระคดูเบิขาซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตโสระคดูเบิขาเห็นแจ้งขันธ์ที่โสระคดูเบิขาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลิน เพราะปรารุคความยินดีเพื่อเพลินขันนั้นราคะที่สรคด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สรคด้วยอุเบกขาด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารมะณปัจจัยอากินัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายัตนะโดยอารมณะปัจจัยขันธ์ที่สหรคตอุอเบกขาเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรมูปักยญาณอนาคตังสญาณและอวัชนะจิตดโดยอารมณะปัจจัยเพราะปรารุขันธ์ที่สหรคดดอุเบกขาขันธ์ที่สหรคดดอุเบกขาจึงเกิดขึ้น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 ออกจากฌานที่สหรคตด้วยอุเบกขาออกจากมรรคออกจากผลและพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขพระอริยะมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขพิจารณากิเลสที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติ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 21. สอสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยอุเบกขาโดยอรมณปัจจัยบุคคลมีจิตสหรตด้วยปีติและสหรคตด้วยสุขให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถบุคคลมีจิตสหรฆด้วยอุเบกขา เห็นแจ้งขันที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราค่าที่สหรคตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุข ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สรค ok ตด้วยปีติและที่สรค ok ตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปคขยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารกขันธ์ที่สองรอ ok ด้วยปีติและที่สรค ok ตด้วยสุขขันธ์ที่สรค ok ตด้วยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สรค ok ตด้วยปีติ และที่โสหรคด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคด้้ยสุโด ย, France, โ, ดยโดยอารมณะปัจจัยย่ออธิปติปัจจัยยี่สิบสองสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาทิปติและสหชาตาทิปติ อารามนาที่ปติได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สหรตด้วยปีติออกจากฌานที่สหรตด้วยปีติออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สหรตด้วยปีติบุคคลมีจิตสหรตด้วยปีติ ยินดีเพลิดเพลินขันที่สหรคตดด้วยปีติให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สหรคตดด้วยปีติจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึนสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปดีธรรมที่สหรคตดด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุ โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมพยุจจะขันที่สรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอธิปฏิปัจจยัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิธปฏิได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติให้ทานด้วยจิตที่สหรคตด้วย defin, อุเบกขายอ่อสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอธิธปติปัจจยัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิธปฏิ และสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติให้ทานสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่ everyday, ส, ห uteur, ทสหรคตด้วยปีต um ิเป็นปัจจัยแก่สามประยุทธ์ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยทิปติปัจจัย23สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุข โดยอธิปฏิปัจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหชาตาทิปติอารมนาทิปติได้แก่บุคคลมีจิตสระคดด้วยสุขให้ทานสหชาตาทิปติได้แก่อธิปฎิธรรมที่สระคดด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปฏิปัจัยสภาวะธรรมที่สระคดด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สรคตด้วยปีติ โดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติขันที่สหรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติย่อ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที away, hunter, <ES> ่สหรคตด้วยปีต <paragraphs ood S 2> ิและที่โสรคตด้วยสุขโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและสหชาตาธิปติสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์ที่สหรคตด้วยปีติและที่โสรคตด้วยสุขโดยอธิปติปัจจัยยี่สิบสี่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 โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาธิปติย่อสภาวธรรมที่สสรคดด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมานาธิปติย่อสภาวธรรมที่สสรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยปีติและที่โสรคตด้วยสุขโดยอธิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว คืออารมณนาธิปติยอ่อยีสหสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติสหชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่สหรรคด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน ที่สหรคตด้วยปีติโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและสหชาตาธิปติสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์ที่สหรคตด้วยสุข โดยทิปฏิปัจัยสภาวธรรมที่สหรคตดด้วยปีติและที่สหรคตดด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตดด้วยอเบขาโดยธิปฏิปัจัยมีอย่างเดียวคืออรมานาธิปฏิย่อสภาวธรรมที่สหรคตดด้วยปีติและที่สหรคตดด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยธิปฏิปัจัยมีสองอย่าง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 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีต <Genau. S 1> ิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที Pork ่สหรคตด้วยปีติโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตระภูโดยอนันตระปัจจัยด้วยเหตุนี้พึงแสดงว่า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 ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โวทานที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมที่สหรคตด้วยปีติ เป็นปัจจัยแก่พลัสสมาบัติที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตระปัจจัยภวังคจิตที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิต โดยนันทระปัจจัยมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกริยาโดยนันทระปัจจัยผวังกจิตที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ผวังกจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยนันทระปัจจัยกุศลและอกุศลที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่วุฐานะที่สหรคตด้วยอุเบกขา กิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฐานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฐานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นป wow. ัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย อนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยนันตระปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยนันตระปัจจัยยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุขโดยนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่โสรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่โสรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่โคลตระภูที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่โสรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่โสรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุข เป็นปัจจ damage damage damage damage ัยแก umm. ่สภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรตด้วยสุขซึ่งเกิดกลองก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรตด้วยปีติซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ภะละสมาบัติที่สหรคตด้วยปีติโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุข เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่สหรตด้วยอุเบกขาโดยอนันตระปัจจัยผวังขจิตที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิตโดยอนันตระปัจจัยกายวิญญาณที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัย มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตระปัจจัยผะวังขจิตที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผวังขจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตระปัจจัยปุสลและอกุศลที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่วุฐานะที่สหรครด้วยอุเบกขากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฐานะ ผลเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรตด้วยสุขซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่พลาสมาบัติ ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัย28สภาวธรรมที่สหรคปด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคปด้วยอุเบกขาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคปด้วยอุเบกขาซึ่งเกิดหลังๆอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสี่โดยอนันตระปัจจัย อนุโลมที่สระคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่สระคดูเบกขาเนวสัญญานาสัญญายะตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่โสระคดูเบขาโดยอนันตรัปัจจัยสภาวธรรมที่โสระคดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยปีติโดยอนันตรัปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สระคดูเบขา เป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่สหรคตด้วยปีติอวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยปีติมโนธาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยปีติภวังคจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สหรคตด้วยปีติกุศลและอกุศลที่สหรคตด้วยอุเบกขา เป็นปันจจัยแก่วุฒฐานะที่สหรคตด้วยปีติกิริยาเป็นปันจจัยแก่วุฒฐานะผลเป็นปัจจัยแก่วุฒฐานะในวาสัญญาณสัญญายาตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปันจจัยแก่พละสมาบัติที่สหรคตด้วยปีติโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปันจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปันจจัยแก่สภาวะธรรม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 จุติจิตที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อุปติจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาผะวังขจิตที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตมโนวิญญาณธาที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยปีติและสหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาที่เป็นกิริยาผะวังขจิตที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ผวังคจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขากุศลและอกุศลที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่วุานะที่สหรคตด้วยอุเบกขากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุานะผลเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ท, through through Award> ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดเกลิ่นก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังๆอนุโลมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่สหรด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุข โดยอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัย30สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยสมนันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัย